การปฏิบัตินั้นถ้าจะป้องกันความผิดพลาดก็ควรจะจับหลักให้แม่นๆ่นว่าเราปฏิบัติเพื่อรู้ทันกิเลสตัณหาที่คอยแต่จะครอบงมจิตใจปฏิบัติไปจ Thank you.